คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเขตพื้นที่จักระพงภูวนาศกำหนดจัดโครงการการให้ความรู้ด้านภาษาแก่บุคคลภายนอกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษและภาษาจีนให้สำหรับพนักงานขับรถแท็กซี่และรถตับจ้างทั่วไปในวันที่ 4-7 มิถุนายน2562เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาณห้อง576อาคาร5ชั้น7เขตพื้นที่จักระพงภูวนาศ ทั้งนี้พนัก ง, งานขับรถแท็กซี่และรถรับจ้างทั่วไปเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่จะได้พบปะและสื่อสารกับชาวสังชาติอยู่บ่อยๆประกอบกับหน้าปัจจุบันประเทศไทยเองก็ได้เข้าสู่การเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียนด้วยเหตุนี้พนัก ง, งานขับรถแท็กซี่จึงมีความจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้และฝึกฝนทักษะทางด้นานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพิ่มขึ้นเพื่อให้สามารถนําไปใช้สื่อสารกับชาวต่างชาติได้จริง ในฐานะของสาขาวิชาภาษาได้เล็งเห็นความสําคัญของภาษาอังกฤษและความต้องการในความสามารถที่จะสื่อสารภาษาอังกฤษของพนัก ง, งานขับรถแท็กซี่ดังนั้นทางสาขาวิชาภาษาจึงจะให้มีการอบรมภาษาอังกฤษสําหรับแท็กซี่ขึ้นเพื่อให้พนัก ง, งานขับรถแท็กซี่และรถรับจ้างทั่วไปได้เรียนรู้ประโยคและความหมายของภาษาที่จะต้องใช้สื่อสารในสถานการณ์จริงในการประกอบสัอ า, าชีพของตน ผู้สนใจสอบถามและสมัครได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02 23 692 2361-4 ต่อ825 826หรือ087 033 0652งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกรายงาน รองนายกรัฐมนตรีเร่งรัดวิสาหกิจแบ่งใจ่ายให้ได้มากกว่าแผนหวังดันเศรษฐกิจปี2562โตอย่างต่อเนื่องหลังเบิกจ่ายสะสมแตะ 8.8 มืานล้านบาทในประพาสคงเอียดเพื่ออำนวยการสำนัก ง, งานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจรหรือสอคอ ร, รเปิดเผยว่า ในการประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจนายสมคิต จ, จตุสีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายให้รัฐวิสาหกิจเร่งเบิกจ่ายงบลงทุนในไ ต, ตรมาสที่สองและ3ปี2562ให้ได้เพิ่มขึ้นกว่าแผนเพื่อรักษาระดับการเติบโตของเศรษฐกิจในภาพรวมที่จะถูกกระทบจากปัจจัยต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่วนผลการเบริกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจว่ากรอบลงทุนทั้งปีของรัฐวิสาหกิจ45แห่งที่สคอรอกำกับดูแลมีมูลค่า3 3 3 4 4 1ล้านบาทโดยมีผลเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมปี 2,562 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2,561 ถึงเมษายน 2,562 จำนวน 88,100 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ92ของแผนการเบริกจ่ายสะสม